พระอนุบัญญัติ160อันนึ่งภิกษุใดเข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายนอกสมัยต้องอบัติปาจิตตีสมัยในข้อนั้นคือภิกษุณีเป็นไข้นี้เป็นสมัยในข้อนั้นเรื่องพระนานางมหาประชาบดีโคตมีจบ